อ้อมือหนีหนาวเนาะอากาศหนาวมือนีบันทีสลายเนาะเนี่ยบาทีบางทีสามคิปโมกราค่มสงกันทะเลาะหาคิปแล้วเรอยมันสิมืดเดือนเนี่ยเขาดีไหม่มกเดือนหนึ่งเนี่ยอากาศหนาวเป็น พ, พิเศษอยู่มือนีกระจายอากาศหนาวอากาศห่อนว่ามนเปลี่ยนแนปลงใส่ต่างๆของธรรมชาติมันเปลี่ยนอยู่ยงชนละ ฮาังค้นกับมักหนาวแต่ว่าดีดีดีเป็นหนาวนี่ ด, ด, ด, ด, ด, ดีตุ่มตาซะซะโอ้สบาหลังค้นบมหมักหนาวกันหนาวมาแล้วมันจังไงมันหนาวมันจั ง, งเข้าไปยี่นี่เส่นนี่เลือดไม่ดูดกูนะมันหนาวกข้าไปโอ้ยผมมักฮ า, า, ารังค้นหมักห่หกกอหนฮ า, า, ล, าลังค้นบมมักห่อนหลังค้นหมักฝน บ่มักฝนมันเถี่ยแม่นเท่าสิมักบ่มักมันก็มีแมวมูนี้นอกจากนั้นอีกแนวเขาบ่มักขุ่มแก่เฒ่าคุ่มเจ็บไข้ในป่วยคุ่มตายคว่มพัดผ่าขุ่มจากกันกับผู้อันเท่าหักผู้หักผู้เท่าหักผู้เท่าแข้งจากไปตายไปหนีไปสบ่มาก มัวมในพปกดนพ่อก็ปวดเท้าบมักึ้นหนึ่งมือเขาสร้างมันนหนึ่นกับพันมากับพันเดพพปกในพ่ออยู่ดีๆมันแหวเห้าโบมาดีกั่แหบมันก็อดก็ได้แหละแง่เดียวกันมันเป็นของมันมีประจำในจิจันทร์หน้าเด้อว่าเข้ามาอยู่ในนี้ในโลกโลกหน่วยน้ำบานเขาเมืองเขาเมืองโลก เทานี้มันคิดใจคิตใจมันมาอ ย, ยู่น้าเขาลราสีบอสีบอสุดแต่แม่เขามีบอ่อใดมันก็ต้องอยู่แบบเขาที่ยังเขานี่แหละ ม, มาอ ย, ยู่ประเทศไถ่เขาต้อง ก, กินเขานี่ะแหละไปอยูอ่ไปม่เลกกาไปอยู่ฝรั่งถุนเมื่อกี้กินขนมปังอย่างากนันแหละมาอ ย, ยู่เมืองไอนนั่ในสมัยเขาเป็นเป็นโลกยังแหละเป็นโลกไทยวัดบอกก็ได้เป็นน้ําเขาอย่งกนัน มันสิลบสิริบ่ได้แน่นอนสิม่นหันใจเนี่ยไงโอ้ยอากาศประเทศไทยกูนายมันได้กูว่าหันใจดอกผู้ที่ไปเอาไปอากาศคุณนดอกมาหันใจนี่ิกรบพอได้มันก็ส่งพยัญชนะสิละย่อยู่ไปได้กันส่แต่ว่าเฮ้ายู่ไปกับละมัดระว่างอันเอียงต่างๆมันหนักมีธิดมีไผ่มานั่มแต่ว่าในธิดในีไผ่หันกัมีประโยชน์รู้กันผู้ตลาดเขาก็เอาประโยชน์ได้อยู่ได้แหละ ก็ยังมีนะก็ยังงูนี่นะเพราะว่ามันมีพิษกหือนกันเป็นนักวิทยาศาสตร์อเอกไปไปสกัดเอาพิษงูเนี่ยมาใช้เป็นยาก็ไรอ่ะเนี้ยพิษของสัตว์บางอย่างพิษของหอยาทากทะเลเโอ้มีพิษหายกันเนี่ยแต่เขาก็ไปสกัดเอามาเหตยดยาได้เพื่อโลกนี้ บมมีไัยมากมั่นเลยแต่ว่าเสื้อโลกมันมีประโยชน์ในเขตพวกหมอพวกโรงพยาบาลเขามีเวียดมีงานเ็ตมีงานท่ำอยู่ใปั่วข้นอยู่ในมีอยู่ประโยชน์มันมีอยู่ให้อาเรื่องให้หาเอาแต่สมมติว่ามันหนาวดูสินะหนาวนี่ละดีไว้ไาาาแล้วกันมันกางตุบๆใหญ่ๆบบนี้ไปใส่ผพามาดตุ่มดีๆฉะนั้นกับนั่งงานนี่เนี่ย นั่งร่วมร่มหันใจอยู่ของพุดโท์พุดโทษไว้นั่นเนี่ยเนี่ยมันได้ดอืนอื้นแต่มันหนักไดุ้ดโท์มันได้ภาวนาแต่เนี่ยอะไรเนี่มันยีดได้เนีมันมีอยู่เาเอาเป็นนะี่ยควมตายในเคือกันบุ่นใครมักดอ ก, ดอกควมตายพี่ น, อ น, อนอ้องน้อพ่อแม่ญาติพี่น้องเท่ามูเืลอนเท่าตายมาันคุยได้มาแต่ให้ซ่อมเอามันสีโบมี่หีเนี่นะบอยบออยู่ในใส ซ้อมอา้าวกูกษิตพ่ตายขึอนเขาหนึ่งว่าเท่าที่ได้เห็นเจ้าของได้บันรแต่กี่ว่าเห็นดอกว่เห็นมดในมวนไปหุ่นไปตัวปฏิคิดบาดในคิดว่าโอ้ตายดิบอูบมาขันบูมักเนี่ยแนวดีมันที่นี่บโอในตายที่เห็นน่นได้บโอ้นี่ดีอยู่มันเป็นแนวเตือนกูกูกสิตตายขึ้นกัน แนวแจ็คส ja, ิสายท่าบายชื่อเขาบมบูทติดีนรือวัตขวัตยุคบูจาบูดีกิจจหนาได้กันคิดใดอย่างนั่นแล้วมันสิ่หันกับมหาภพุธเจ้าหรือทิมาตุสาปฏิบัติภพุธเจ้าท่าันของภพุตเจ้าจะสิบ่อข่างนสิบหก่างเจ็นช่างอันมันสี่มุมสิบคนได้ได้นี่แหละประโยชน์ของสายแต่นี้แน่าจ ไ้ค so ิดบางแน่ว่าอันตายเนี่ยทั้งตายกันอยู่เลยปู่คนตายยุคไกลไโตพูดโดนไปถึงมากับไก่ข <Yeah. S 1> ้ามาไก่ข <allerdings Interesting. S 2> ้ามาไก่ข้ามานี่นะสมัยพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เจ้าของไก่ข้ามาตอดข้าวมาตอดข้ามาอยู่มึงจะมากกูบ่มากกต่เนี่ยมันมากแต่ตอดข้ามาอยู่เนี่ยไปคิดบางดีอันทุจัดตกันเต็มกันโอ้มันขามาไก่แลยชั่ววันองเศร้า ปล่อยเวลาเสียไปโดยข้อประโยชน์ไร่จริงนะมันก็เป็นเหตุให้ห่อเด็กเคนเขาแบกันผูกขับรถเหมันแบบเด็กเหยียบขันเล่นอยู่นะมันนี่ประโยชน์อยู่เด้กในกิดอะไรเงี้ยพเจ็บคุ่มป่วยเมือกันนะอย่าปล่อยมันป่วยคืออย่าหอมเสียโอ้ยหองฮาเพื่อนหอมฮาร์เพื่ไนด้าเพื่อนด่าเพื่อนถามันเจ็บคุณแม่เลยซ่อมไปยูหมองนิดนิด ก็มือมันเจ็ดสซนติเนาะในสุดมันสิหลายตัวนิมันสิดหดตายตัวเนียอ้อกดมันมือกันนะตั้งใจดีดีจ่งดีดีกดมันฮัทเซนติดีมันจังสิได้เหรอฮดออเอารับท่อนมาเีย